ต้องคิดในเรื่องของอกุศลเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำบาปโดยไม่รู้สึกตัวจากการที่เราใช้วิธีจำทุกอย่างในปัจจุบันเนียเราจะใช้จำอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้ปัญญาวินิจฉัยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ถูกต้องถ่องแท้ด้วยแม้แต่การที่จะประกอบการกุศลหรือคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะต้องใช้ปัญญาให้มาก จะสร้างกุศลสักอย่างหนึ่งท่านก็ต้องใช้ปัญญาว่ากุศลที่เราทำนั้นอ่ะมันจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงแค่ไหนเป็นประโยชน์หรือไม่ไม่ใช่สักแต่ว่าเราจะทำกุศลหรือทาความดีกันต้องพิจารณาด้วยว่าความดีที่ทำนั้นจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าทำแล้วได้ผลน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับที่เราทาเพราะว่าเราจะ สมมติว่าเราจะสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่ทํานี่มันดีไหมเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าทํานอกจากไม่ทําแล้วอย่าชวนคนอื่นทําสิ่งใดไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แล้วเราไม่ทําด้วยไม่ชวนคนอื่นทําด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องใช้ปัญญาอย่างยิ่งการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่ออะไรเพราะเราเห็นด้วยตาก็ยังไม่ได้ เราจะเชื่ออะไรเพราะได้ยินเขาพูดมาก็ยังไม่ได้ต่อเมื่อเข้าใจอันนั้นอย่างทั่วถึงแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องปัจจุบันเนี่ยที่เรากลัวมากก็คือคนที่รู้อะไรไม่จริงแล้วก็แกล้งกล้าแสดงความรู้ที่ตัวเองรู้ไม่จริงออกมาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราไม่รู้จริงแล้วเนี่ย เราแสดงออกมาแล้วมันเป็นอันตรายเพราะว่าคนที่ประเภทใช้สัญญามากกว่าปัญญานั้นมีมากอยู่ใช้จำมากกว่าจะใข่ครวนวินิจฉัยหาเหตุผลเนี่ยมากอยู่ก็เป็นอันตรายนยความไม่รู้ทั่วจึงหมายถึงรู้แบบประเภทสัญญาทีนี้รู้แบบวิญญานเนี่ยรู้อย่างไรที่เรียกว่ารู้แบบวิญญาณรู้แบบวิญญาณ น, นี่ถ้า พูดกให้เข้าใจง่ายๆคือรู้แบบประเภทธรรมชาติเนี่ยยัง เ, เรารู้ว่านี่เป็นดวงไฟรู้ว่านี่เป็นแสงสว่างก็เพราะว่าเรามีตาเห็นเรารู้ว่านี่เป็นเสียงก็เพราะเรามีหูได้ฟังเรารู้รู้ว่านี่เป็นเสียงนี่เป็นรูปนี่เป็นกลิ่นนี่เป็นรสนี่เป็นสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องของการรู้แบบแบบประเภทใช้วิญญาณวิญญาณรู้ พอได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วนต้ปัญหามีว่าสัญญากับวิญญาณกับปัญญาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเพราะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาวิญญาณก็ไม่ใช่ปัญญาแต่ว่าอาการที่ปรากฏนั้นสัญญากับวิญญาณนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับปัญญาข้อนี้เราจึงจะต้องศึกษากันให้เข้าใจว่าสัญญาวิญญาณกับปัญญานั้น่ะ ถ้าพูดถึงความรู้แล้วมานรู้ต่างกันอย่างไรในสภาวะทั้งสามประการนี้ท่านบอกว่าถ้ารู้แบบสัญญาเนี่ยก็รู้แบบประเภทหมายรู้ในอารมณ์อันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้เช่นอย่างเรารู้ว่าอันนี้เป็นสีเขียวนี่เป็นสีแดงนี่เป็นสีเหลืองนี่เป็นสีดําทําไมเรารู้ว่านี่เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีดําสีขาว ก็เพราะว่าเราจำได้ว่าผู้ใหญ่สอนมาอย่างนี huh. ้ว่าอันนี้เรียกว่าสีเหลืองอันนี้เรียกว่าสีแดงสีขาวสีเขียวเราเรียนมาอย่างนี้เราจำมาอย่างนี้เมื่อจำได้อย่างนี้เราก็รู้ว่าอันเนี้ยเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบสัญญาจำได้ว่าอันนี้เป็นสีเขียวสีเหลืองแต่ว่าไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดในสีอันนั้นได้ ลักษณะด้านก่าวเนี่ยเป็นความรู้แบบประเภทสัญญาคือใช้ความจําเรารู้ว่าไฟร้อนเรารู้ว่าไฟร้อนเราก็ไม่จับไฟอันนี้เพราะเหตุว่าเราเคยถูกความร้อนเนี่ยแผดเผามาแล้วแล้วเราก็จำเอาไว้ว่าไอ้ลักษณะที่เป็นไฟอย่างเนี้ยไปจับไม่ได้มันร้อนเพราะฉะนั้นคนที่จําได้เนี่ยก็ไม่จับไฟที่ไม่จับไฟไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นคนรู้แจ้งในเรื่องของไฟ เป็นแต่เพียงจำได้เท่านั้นเองว่าไฟนี้มันร้อนแต่ไฟบางอย่างมันไม่ร้อนก็มีถ้าพูดถึงไฟแล้วก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะร้อนทั้งหมดไฟบางอย่างที่ไม่ร้อนก็มีไฟเย็นก็มีอย่างน้ำแข็งอย่างเนี้น้าเย็นๆที่เราดื่มเนี่ยเราว่าชื่นใจแต่ความจริงนะมันก็คือไฟเหมือนกันแต่เป็นไฟประเภทไฟเย็นไม่ใช่ไฟร้อนมันเป็นไฟเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการจำได้เพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้แจ้งว่าอะไรคืออะไรอย่างนี้เป็นเรื่องของสัญญาทีนี้วิญญาณวิญญาณก็เหมือนกันเรารู้อารมณ์ต่างๆที่มันมากระทบทางอายตนะจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์อันใดที่มากระทบกับอายตนะเนี่ยเรารู้เรารู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้อันนั้นเป็นรูปอันนี้เป็นเสียงอันนี้เป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัส อย่างเนี้ยเรียกว่ารู้แบบวิญญาณทีนี้การรู้แบบประเภทปัญญารู้อย่างไรรู้แบบประเภทปัญญาเนี่ยก็หมายถึงรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะของสิ่งนั้นๆเช่นรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากเหตุปัจจัยอันใดสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุปัจจัยอย่างไร มันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกยังไงมันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวมันเองเลยอย่างไรสีเขียวสีแดงเนี่ย คำว่าเขียวกับคำว่าแดงเนี่ยมันไม่มีอยู่ในตัวของมันเองแต่ที่มันมีขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะอาศัยส่วนประกอบื่นขึ้นมันก็กลายเป็นสีเขียวสีแดงขึ้นมาและความเป็นสีเขียวสีแดงนี้มันก็จะมีวันแตกสลายไปได้เปลี่ยนแปลงได้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการรู้ลึกซึ้งลงไปอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงอุปมาว่าในระหว่างสัญญาก็ดีระหว่างวิญญาณก็ดีปัญญาก็ดี ถ้าจูประมาแล้วก็เหมือนกับทารกที่ไม่รู้เดียงสากับชาวบ้านและขุนครังแต่ว่าทารกที่ไม่รู้เดียงสากับชาวบ้านและขุนครังเนี่ยเช่นสมมุติว่าคนทั้งสามคนเนี่ยไปพบกองเงินกองทองหรือกองเหรียญกระสาบเข้าสกองหนึ่งเด็กทารกแกก็จะไม่เข้าใจเลยว่า ไอเหรียญกระสาบเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเด็กทารกที่ไร้เดียงสาเนี่ยอาจจะไปพบเพชรนินจินดาที่ตกเรียราดอยู่กลางถนนแกอาจจะไม่รู้คุณค่าอะไรเลยแต่รู้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นอของเล่นเป็นของแปลกชนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะรู้ทันทีว่าไอเหรียญกระสาบอันเนี้ยแลกเปลี่ยนได้ไปซื้อข้าวซื้อของอะไรได้ เป็นของมีค่าเพชรนินจินดาหรือก้อนหินหรืออัญมณีอันใดก็าตามรู้ราคาทันทีว่าอันนี้มันมีค่าเท่านั้นมีค่าเท่านี้เช่นรู้ว่าราคาของทับทิมกะหลัดแล้วเท่านั้นราคาของเพชรกะหลัดและเทา่านี้ราคาโป่งคำกระหลัดและเท่านั้นนี่เป็นเรื่องความรู้แบบชาวบ้านแต่ถ้าความรู้แบบขุนคลังเนี่ยขุนคลังจะต้องรู้ละเอียดลึกซึ้งลงไปถึงว่าเหรียญเนี่ยทําจากอะไร มีส่วนอะไรผ ส, สมขึ้นมาจึงเป็นเหรียญอันนี้ขึ้นรู้ว่าทัชทิมกับเพชรมันมีค่าต่างกันที่ตรงไหนอย่างไรรู้ถึงคุ ณ, ณค่าของสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันเกิดมาจากอะไรอย่างนี้เป็นความรู้ของขุนครังเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งสามประการเนี่ยจึงต่างกันตรงที่ว่าปัญญานั้นเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดในลักษณะ หรือในเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆที่ปรากฏโดยถูกต้องอย่างนี้เป็นปัญญาแต่ถ้าแบบสัญญาหรือแบบวิญญาแล้วก็เป็นความรู้แบบผิวเผินเนี่ยความต่างกันนั้นมีอยู่เพียงแค่นี้แต่ทั้งท้ที่มีความต่างกันเนี่ยสภาวธรรมทั้งสามประการนี้ก็แยกออกจากกันไม่ได้หมายความว่า สัญญาวิญญาณกับปัญญาต้องเกิดร่วมกันอยู่เสมอไม่แยกออกจากกันจะแยกออกจากกันก็ในบางขณะเท่านั้นที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีวิญญาณประกอบหรือไม่มีวิญญาณประกอบเท่านั้นเองเช่นอย่างจิตจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างมหาปุสลจิตแม้แต่จิตที่เป็นฝ่ายดีที่ทาให้เรานี้รักษาศีลบาเพ็ญทาน หรือเจริญภาวนาเนี่ยท่านก็บอกว่าจิตประเภทที่เป็นฝ่ายดีอย่างนี้ก็ยังมีทั้งประกอบด้วยปัญญาและก็ปราศจากปัญญาคำวิญญาณสัมปยุทธกับคำวิญญาณวิปยุทธนั้นย่อมจะเชี่ยวเห็นได้แล้วว่ามหากุศุรจิตเนี่ยบางดวงก็ไม่มีปัญญาเข้ามาประกอบบางดวงก็มีปัญญาเข้ามาประกอบบางคนมีจิตเป็นกุศลโดยปราศจากปัญญาบางคนมีจิตที่ เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญามีทั้งสองอย่างเหมือนอย่างเราทํากุศลเนี่ยบางทีก็ทําด้วยความงมงายคือทําด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้งเพียงอย่างเดียวโดยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ทํานั้นมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและจะเกิดภาราอานิสงฆ์แก่การกระทํานั้นอย่างไรบ้างหรือบางทีผู้ที่ทําด้วยศรัทธานั้นจะต้องอาศัยการชักจูงการล่อหลอก ด้วยวิธีการต่างๆจึงจะเกิดศรัทธาวิธีการล่อลอกนั้นก็คือเราอาจจะเอาสิ่งที่บุคคลต่างๆมีความพอใจเอาสิ่งทั้งหลายที่เขาพอใจนั้นนะ่ะมาเป็นเครื่องล่อเพื่อให้เกิดศรัทธาบางทีก็ต้องตั้งตนเป็นผู้วิเศษบางทีก็ต้องเอาของวิเศษมาล่อ หรือบางทีก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้จึงจะเกิดปัญญาขึ้นจึงจะเกิดมหากูุสุนขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราถูกคนอื่นหลอกเพื่อให้เกิดกุสนและจิตยอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแล้วเราจึงทาบุญเนี่ยเป็นประเภทยานวิปยาวิปยุทธทายานวิปยุทธแล้วเราก็เราเราเข้าใจเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ทำอะไรเป็นประโยชน์ทําอะไรเป็นประโยชน์เนี่ยเราคิดทําเองอย่างเนี้จึงจะเป็นประเภทปัญญาญาณสัมปยุตเป็นประเภทมหาภูสุญญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญานี่หมายถึงความไม่ต่างกันระหว่างความไม่ พ, พลาดจากการระหว่างสัญญาระหว่างวิญญาณกับปัญญาแยกออกจากกันไม่ได้คือจะต้องเกิดร่วมกันอยู่เสมอบ่อยๆ ก็จะทำหน้าที่ของแต่รัสภาวะดังที่ได้กล่าวมานี้แี่ในปัญหาที่สามที่ว่าปัญญามีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเพราะว่าการวินิจฉัยธรรมะเนี่ย เ, เรามีหลักในการตีความธรรมะไว้คือประการต้นที่สุดจะต้องรู้ลักษณะของธรรมที่เราศึกษามีลักษณะอย่างไร ประการที่สองลงมาก็คือหน้าที่ของธรรมะอันนี้ในบาลีใช้คำว่ารสกิจกิจจะเนี่ยหมายถึงหน้าที่วัตธรรมะอันเนี้ยมาเกิดมาแล้วมันทำหน้าที่อย่างไรเช่นอย่างโทสะมุรจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำหน้าที่อย่างไรโลภะมุรจิจเกิดขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อย่างไรโมหะมุรจิจเกิดมาแล้วมันทาหน้าที่อย่างไรอันเนี้ยเรียกว่ารสใช้คำว่ารักษะคือรส ไม่ใช่หมายถึงรถอาหารแต่หมายถึงกิจจะรสประการที่สามก็คืออาการที่ปรากฏอาการที่ปรากฏของธรรมะเนี่ยมันมีอาการปรากฏอย่างไรคือเมื่อเช่นอย่างความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยเป็นความโกรธนั้นมันมีอาการให้ปรากฏอย่างไรจึงจะรู้ว่าเนี่ยเป็นความโกรธเป็นโพสะมันมีอาการให้รู้อย่างไรว่าอันนี้เป็นโลภะมีอาการให้รู้อย่างไรว่าอันนี้เป็นโมหะ อาการที่ปรากฏเนี่ยจะต้องมีอยู่ในสภาวะธรรมทุกๆสภาวะประการที่สี่ก็คือปทัจฐานปทัจฐานนี่หมายถึงเหตุให้เกิดว่าธรรมอันเนี้ยเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเช่นอย่างความโลภความโกรธความหลงความริษยาความพยาบาทเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุเหตุเนี่ยเรียกว่าปทัจฐานอาการที่ปรากฏเรียกว่าปัจจุปัจฐาน ปทัดฐานที่เกิดสภาวธรรมอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมาจากอะไรเราต้องรู้ด้วยเนี่ยวิธีวินิจฉัยธรรมะตามหลักของพระพุทธศาสนาเราจะต้องรู้ถึงสภาวะทั้งสี่ประการนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานี้ก็เหมือนกันเราต้องรู้ทั้งสี่รู้ทั้งสี่นั่นก็คือปัญญามีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นแล้วมันทำหน้าที่อย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรเกิดมาได้อย่างไรต้องรู้ถึงสี่สภาวธรรม ถ้าถามว่าปัญญานั้นมีลักษณะอย่างไรท่านอธิบายว่าปัญญานั้นมีการแทงตลอดซึ่งสภาวะลักษณะสภาวะลักษณะรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสภาวะลักษณะนี่เป็นลักษณะของปัญญาแต่ริปัญหามีว่าสภาวะลักษณะนั้นคืออย่างไรสภาวะลักษณะเนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นสภาวะธรรม นะลักษณะอันใดที่เป็นสภาวธรรมเช่อนอย่างความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาหรือธรรมนิยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการเสื่อมสลายลงโดยที่เราบังคับบัญชายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมนิยามหรือเป็นเรื่องของสภาวธรรมที่เรียกว่าสภาวะลักษณะปัญญาที่ เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีลักษณะรู้แจ้งในสภาวะลักษณะอย่างนี้คือต้องรู้แจ้งถึงสภาวะลักษณะของธรรมะเหล่านั้นเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาส่วนหน้าที่ของปัญญานั้นคือการกำจัดความมืดถ้าถามว่าปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมีหน้าที่อย่างไรกำจัดความมืดเหล่านี้ให้หมดไปมีหน้าที่กำจัดความมืด และความมืดอันนี้ย่ยอมจะครอบงำจิตปุตชนอยู่เสมอพระปุุชลเหล่านั้นย่อมประกอบด้วยความโลภความโกรธแต่ความหลงท่านตรัสว่าถ้าความโลภเกิดขึ้นในผู้ใดความมืดก็เกิดขึ้นครอบงำจิตของผู้นั้นความโกรธเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ใดความมืดก็ปก ค, คลกคุมจิตของผู้นั้นความหลงเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ใดความมืดก็ปกคลุมความหลงหรือปกคลุมจิตของผู้นั้น ฉะนั้นผูุ้ชนที่มีด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงความมืดเหล่านี้ไม่พน้นเราจะกําจัดความมืดเหล่านี้ได้อย่างไรก็ต้องกําจัดได้ด้วยปัญญาถ้าเราทําปัญญาให้เกิดแล้วปัญญาจะไปทําหน้าที่กําจัดความมืดให้หมดไปเองโดยที่เราเนี่ยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะเราเข้าใจโดยแจมแจ้งแล้ว <S <S 2> <S 2> แต่โลภ โ, ล ก, <an> โลกรธหลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เกิดขึ้นเพราะความมืดบอด ของโมหะธรรมที่เข้าครอบงาถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะช่วยได้มากโดยกําจัดความมืดเหล่านี้ให้หมดไปนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาจะต้องทําหน้าที่กําจัดความมืดคือโมหะที่ไปปกปิดจิตของเราไม่เห็นสภาวะธรรมโดยแจมแจ้งส่วนอาการที่ปรากฏนั้นท่านกล่าวว่ามีการไม่ฟั่นเฟือน เป็นอาการปรากฏมีการไม่ฟั่นเฟือนก็คือไม่หลงผู้ที่มีปัญญานั้นย่อมจะไม่หลงไหลในสิ่งต่างๆย่อมจะเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้โดยถูกต้องได้ไม่เกิดความฟั่นเฟือนแม้ในยามมีชีวิตอยู่แม้ในยามใกล้าตายก็ไม่เกิดความฟั่นเฟือนอท่านทั้งหลายจะสังเกตได้จากคนที่ใกล้ตาย คนนั้นเป็นคนมีปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะตายอย่างคนมีสติไม่ฟั่นเฟือนตายอย่างสงบตายอย่างคนรู้เข้าใจในชีวิตไม่เกิดความฟั่นเฟือนไม่เกิดความกระวนกระวายห่วงใยอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะตายอย่างสงบอย่างรู้ว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอย่างนี้โดยมีปัญญาเนี่ยพิจารณานามรูปตลอดเวลาอาการตายของคนอย่างนี้จะตายอย่างคนมีความคิด ตายอย่างคนที่มีปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีปัญญาเหล่านี้เข้ามาประกอบแล้วถึงตายก็ตายอย่างปั้นเปือนเต็มทีตายด้วยความทุรนทุรายแล้วก็บุคคลประเภทนี้ที่ตกไปเป็นทาสของทุกขเวทนาทำให้เกิดความรู้สึกหม่นหมองใจเวลาใกล้จะตายขึ้นมาก็มักจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือบางครั้งก็เกิดความกังวล เกิดความภาวะผวงหรือเกิดความอะไรอาวร์ก็ความตายเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความคลัดพราพ่อแม่ก็ต้องพลัดพลาดจากกันสามีพัญญาต้องคลัดพลาดจากกันพี่น้องต้องพลัดพลาดจากกันเนี่ยมันทำให้เกิดความอะไรอาวรณ์พอพูดถึงความตายแล้วก็เหมือนกับไ ป, ไปจากโลกนี้แล้วไม่มีวันกลับฉะนั้นจึงเกิดความภาวะผวาวแต่ถ้าหากว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วเนี่ย เขาจะไปอย่างคนที่มีปัญญาเข้าใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและเข้าใจในานามรูปเนี่ยอย่างถูกต้องอาการตายอย่างนี้เป็นตายอย่างอย่างไม่ฟั่นเฟือนตายอย่างคนที่มีปัญญาเราศึกษาได้จากจิตตะชรูปเพราะรูปที่เกิดมาจากจิตเนี่ยมันจะบ่งชัดมาให้เห็นถึงสภาพของใบหน้าอาตมาเคยไปลดน้าศพหลายคน สังเกตดูใบหน้าที่ทิ้งค้างไว้ของคนตายคือคนตายเนี่ยในขณะที่ตายนั้นมีลักษณะใบหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะฝากเอาไว้ให้เราเห็นถ้าเราเฝ้ามองเฝ้าศึกษาเราจะเห็น เ, เห็นจิตตชรุ่ที่มันเกิดจากสภาวะจิตแฝงอยู่ในใบหน้าของคนตายเราจะว่าคนตายเนี่ยเขาตายอย่างอย่างคนที่มีปัญญาหรือว่าอย่างคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเรารู้ ตายด้วยความกังวลหรือตายด้วยความอะไรอาวรหรือด้วยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเนี่ยมันจะฝากไว้บนใบหน้าเราดูใบหน้าก็รู้คนที่เ็าตายอย่างมั่นใจตายอย่างมีความสุขก็จะบ่งถึงความอิ่มเอิบบ่งให้เห็นถึงความสุขหรือความเด็ดเดี่ยวในการที่เขาพร้อมแล้วที่เขาจะตายส่วนคนที่ไม่พร้อมที่จะตายเนี่ยดูเถอะมันเกิดความกังวลเกิดความลังเลหลายอย่าง ก็สแสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะตายแต่ก็จำเป็นต้องตายที่ไม่พร้อมเนี่ยหมายถึงว่าเขายังทำกุศลไม่เพียงพอหรือความดีที่ทำนั้นยังไม่เพียงพอเนี่ยคนที่ขาดกุศลเนี่ยก็คือคนที่ไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะตายและคนที่ไม่พร้อมที่จะตายเนี่ยก็ต้องไปทุรักทุเลในภพหน้าอาจจะพลัดตกนรกอาจจะไปลาบากตกประกรรลาบากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าไม่พร้อม คนที่พร้อมนั่นคือคนที่เตรียมอะไรไว้พร้อมหมดทุกอย่างเนี่ยอย่างเรามีชีวิตยอยู่เราเราไม่ประมาทเราสั่งสมกุศลไว้อยู่เสมอเนี่ยคนที่สั่งสมกุศลไว้เสมอนี่คือคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อไปสู่ความตายเพราะความตายมันเป็นของแน่นอนเละเกินเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปแน่นอนกว่าเราจะนัดหมายไปต่างประเทศนัดหมายไปที่โน่นที่นี่เสอีกซึ่งอาจจะเปลี่ยนอาจจะผลัดได้ อาจจะเลื่อนได้แต่การเดินทางไปสู่โลกนาล่ะท่านเปลี่ยนไม่ได้เลื่อนก็ไม่ได้จะขอเลื่อนเลดเวลาไปอีกสัก3ามชั่วโมงได้ไหมไม่ได้วไม่ยอมเลื่อนให้จะตายเวลานี้ก็ต้องตายทันทีจะผัดผ่อนเลื่อนกันเป็นชั่วโมงกอย่างไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเสียบัตรนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะตายอย่างคนที่ไม่พร้อมสนทั้งหลายไปงานรดน้าศพแล้วขอให้เฝ้าศึกษาดูและเราจะเข้าใจชีวิตเนี่ยดีขึ้น ว่าคนพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันฝากไว้บนใบหน้า olha, ถ้ามีความกังวลมันก็จะแฝงความกังวลใจไว้เหมือนเราพบคนเ ป, เป็นๆเนี่ยเราก็ศึกษาได้คนไหนมีความกังวลมากกังวลน้อยเนี่ยศึกษาจากใบหน้าก็รู้ว่าเขามีความกังวลมากน้อยอย่างไรมีความทุกข์มีความสุขมีความสบายใจอย่างไรเนี่ยเราศึกษาได้จากใบหน้าของคนเราก็จะเห็น ระว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกปิดไม่ได้มันเป็นสภาวะที่เรียกว่าจิตตะชรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นอาการที่ปรากฏนั้นเป็นสภาวะธรรมของธรรมะทุกๆสภาวะจะต้องมีอาการปรากฏส่วนปัจทฐานให้เกิดท่านบอกปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นปัจทฐานภาาปัญญาเกิดมาได้อย่างไรก็มีสมาธิเป็นปัจทฐานให้เกิดปัญญา คนที่ไม่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดไม่ได้ะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นประทัยฐานของปัญญาอันนี้ท่านอ้างบาลีเป็นพยานอ้างพุทธวจนะเป็นพยานคนไม่มีสมาธินั้นจะมีปัญญาไม่ได้ต้องมีสมาธิปัญญาจึงจะเกิดนี่เป็นลักษณะของสภาวธรรมคือปัญญาทีนี้ถ้าถามว่าปัญญามีกี่อย่างในข้อที่สี่ เขาว่าปัญญามีกี่อย่างนี้ท่านจาแนกไว้เป็นสองอย่างสั้นๆคือเป็นโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาโลกิยปัญญานั้นหมายถึงปัญญาที่รู้ในเรื่องโลกเรื่องโรกีต่างๆเช่นปัญญาที่รู้ในการศึกษาค้นควา้าในการทาอะไรต่างๆได้อย่างนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดคน้นหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้สาเร็จสร้างเครื่องยนต์ได้สร้างเครื่องบินได้หรือทา สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้อันนั้นก็เป็นปัญญาแต่เป็นโลกิยะปัญญาส่วนโลกุตระปัญญานั้นหมายถึงปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมหมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นในมรรคจิตด้แก่ปัญญาที่เกิดขึ้นในโสดาปฏิมัตในสกทาคามิมัอนาคามิพักและอรหั ต, ตมัต อันนั้นเป็นโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยโดยประเภทแล้วก็แยกเป็นสองถ้าโดยสามารถแล้วก็แยกออกไปเป็นปัญญาที่มีอาสวะปัญญาที่ไม่มีอาสวะเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นเป็นเรื่องของอาการแยกไปตามสภาวะรรมปัญญาที่มีอาสวะก็เช่นปัญญาของปุถุชน ได้แก่ผู้ที่เป็นโลกีะปัญญาเนี่ยมีปัญญาเหมือนกันแต่ว่าอาสวะก็ยังมีส่วนปัญญาที่เป็นโลกุตระนะั้นเป็นปัญญาที่ไม่มีอาสวะคือปัญญาของพระอริยเจ้าเป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นปัญญาที่บริสุญญทธิ์ผุดทองไม่มีอกุศลใดๆเข้ามาครอบงำเนี่ยเป็นการจําแนกปัญญาว่าปัญญานั้นมีกี่ประเภท ท่านยังจำแมกออกไปอีกโดยสภาพของอของหน้าที่ที่ปัญญาแต่ละหน้าที่นั้นจะวินิจฉัยถึงอารมณ์ต่างๆคือจำแนกออกไปโดยประเภทขององค์แห่งปัญญาปัญญามีสามบ้างเช่นเป็นสุตะปัญญาเป็นจินตะปัญญาเป็นภาวนาปัญญาเนี่ยปัญญาก็มีสาม เจตปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดปัญญาที่เกิดขึ้นจากาการอบรมปัญญาก็กลายเป็นสภาพของปัญญาที่มีหมวดสามแล้วแล้วก็ปัญญาที่มีหมวดสีก็เช่นปฏิสัมพิทายานสี่อย่างนี้ปฏิสัมพิทายานสี่ก็คือยานที่แตกฉานในอัดในธรรมในภาษา ซึ่งอันนี้เป็นการจำแนกโดยความสามารถของปัญญานี่องค์ต่อไปคือที่ห้าเราจะต้องเจริญอย่างไรเนี่ยที่ว่าเราจะต้องเจริญอย่างไรก็คือเราจะทำอย่างไรปัญญาเนี่ยมันจึงจะเกิดอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่เราจะต้องศึกษาว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านทั้งหลายที่เคยศึกษาวิชาการต่างๆทางโลกมามากแล้ว ท่นานอาจจะมีวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรเป็นเครื่องหมายกำหนดความรู้ความสามารถของแต่ละคนว่าเราได้รู้ในเรื่องอะไรมาแล้วก็ตามอันนั้นเป็นการได้มาซึ่งปัญญาด้วยการศึกษาเล่าเรียนจากแขนงวิชาการต่างๆที่เราศึกษาอยู่ แต่ว่าสำหรับปัญญาที่จะนำชีวิตของเราทุกคนไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นี้เราจะได้มาอย่างไรเนี่ยเราจะต้องศึกษากันตอนนี้ลหละเพราะอันนี้เป็นประเด็นสาคัญของการศึกษาในปัญญานิเทศนี้เพราะถ้าถามว่าเราจะได้ปัญญามาอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่าเหตุที่ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยการศึกษาในเรื่องของขันอาญตนะธาตุอินทรีสัจจะปฏิจจสมุปบาทถ้าหากว่าไม่ศึกษาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้ปัญญามาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่เราเรียกกันในวงการนักศึกษาธรรมะว่าวิปัสนาภูมิคาว่าวิปัสนาภูมินั้นหมายถึง บอ่อเกิดของวิปัสนาญาณจะไปสู่จุดที่ท่านให้คำจำกัดความในตอนต้นว่าปัญญาคืออะไรท่านให้คำจำกัดความหมายถึงวิปัสนาญาณที่สัมปยุทธ์ด้วยกุศรแจิตเรียกว่าปัญญาภูมิที่จะให้เกิดวิปัสนาญาณ น, นั้นคืออะไรเนี่ยภูมิที่จะให้เกิดวิปัสนาญาณ น, นั้นเรียกว่าวิปัสนาภูมิก็คือขันธ์ธาตุอายตนะ At, ries, อินทรีย์สัจจะอริยสัปฏิจจสมุปบา ท, ทเนี่ยทั้งหกหมวดใหญ่ๆเนี่ยที่จะเป็นบอ่อเกิดของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่จะเข้าใจในเรื่องของชีวิตชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราเข้าใจได้ด้วยการศึกษาอย่างนี้ขันอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะและปฏิจจสมุปบาทจะทําให้เราเข้าใจชีวิตของเราโดยแจ่มแจ้งว่าตัวเราคือใคร และความเข้าใจอันนี้จะตอบปัญหาเราเองวะ่ะ อ, อ๋อตัวเราคือไอ้ น, นี่เองด้วยการศึกษาให้เข้าใจแล้วเราก็จะรู้ ท, ทันทีว่าตัวเราคืออันนี้เองอันนี้เรียกว่าวิปัสนาภูมิเพราะฉะนั้นจากการศึกษาที่อาจมาจะต้องบรรยายในวิสุทธิมรรคนี้ก็จะต้องบรรยายไปตามลำดับอย่างนี้ว่าปัญญาจะต้องเจริญอย่างไรซึ่งเราจะได้ศึกษาไปเป็นหมวดหมวด เป็นเรื่องชีวิตของเราโดยเฉพาะแต่ด้วยเหตุที่วันนี้เรามีเวลาการบรรยายเพียงแค่นี้แล้วก็จะบรรยายให้จบนั้นะ่ะยังไม่ได้เพราะว่าเหตุที่ให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องใช้เวลาบรรยายอยู่หลายอาทิตย์วันนี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาเนี่ยต่ออีกสักครั้งหนึ่ง ท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องปัญญามีกี่อย่างและได้จำแนกถึงปัญญาที่เป็นโลกิยะปัญญากับโลภุตระปัญญาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโลก…ิยะปัญญากับโลภุตระปัญญานั้นย่อมให้ประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองอย่างคือทั้งในด้านโลกีกับในด้านโลกุตระ แต่ว่าเราทุกคนทราบได้ดีว่าปัญญานั้นมีความสำคัญแก่ชีวิตของเราเนี่ยอย่างไรเพราะว่าการที่เราจะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้ง